ยาซีเรียกเรื่องธรรมดาธรรมดามีพ่อตาคนหนึ่งมีลูกเขยสองคนเขยคนโตเป็นด็อกเตอร์ ลูกเขยคนเล็กเป็นชาวบ้านธรรมดาๆรรวันหนึ่งพ่อตาชวนลูกเขยสองคนภายเรือไปเที่ยวเล่นในลำคลองผ่านเป็ดไปเห็นเป็ดว่ายน้ำได้ลอยน้ำพ่อตาก็ถามลูกเขยที่เป็นด็อกเตอร์ว่าเออทำไมเป็ดถึงลอยน้ำได้ลูกเขยก็อธิบายว่า เป็ดมันมีขนถึงไม่จมน้ำพ่อตาหันมาถามลูกเขยคนเล็กลูกเขยก็บอกโอ้พ่อธรรมดาธรรมดาอะไรมันก็ลอยน้ำได้ทั้งนั้นแหละพ่อตาก็ชักไม่พอใจพายเรือกันต่อไปสักพักพบหานร้องเสียงดังลูกเขยคนโตก็อธิบายว่าเพราะหานคอยาว พ่อตาหันไปถามลูกเขยคนเล็กพะโทพ่อก็ร้องเสียงดังเป็นธรรมดาอย่างนั้นแหละของธรรมดาพ่อไปสนใจอะไรละ่ะผ่านไปอีกหน่อยก็ไปเจอพระจีวรสีเหลืองพ่อตาก็ถามทำไมจีวรสีเหลืองลูกเขยใหญ่ตอบว่า เขาเอาไปย้อมสีเหลืองมันก็เลยเป็นสีเหลืองลูกเขยคนเล็กก็ว่าธรรมดาธรรมดาจีวอนพระพ่อจะให้เป็นสีอะไรล่ะไปกันต่ออีกสักพักก็ไปเจอจอมปลวกข้างบนมีงูเหลือมอยู่เลยเห็นมันเลื่อมลูกเขยคนโตให้เหตุผลโธ่ก่องงูขึ้นไปอยู่บนจอมปลวก เลยเป็นมันเรื่องลูกเขยคนเล็กก็ว่าของธรรมดาพ่อพ่อสงสัยอะไรเหรอทุกอย่างมันก็ธรรมดาอย่างนี้ทั้งนั้นแหละพ่อตาแค้นใจลูกเขยคนเล็กว่าพูดจาไม่ได้เรื่องเมื่อกลับถึงบ้านขึ้นจากเรือเสร็จพ่อตาก็เรียกลูกเขยคนเล็กมาไล่เบี้ยว่าไหน เจ้าว่ามาสิไอ้ธรมธรมดาธรรมดาธรรมดาของเจ้าน่ะเจ้าไม่มีสติปัญญาเจ้าก็อ้างว่าธรรมดาน่ะสิลูกเคยเล็กก็ถามพ่อตาว่าพ่อที่เป็ดว่ายน้ำได้นี่เพราะว่ามันอัศจรรย์นักหรอของสกปรกอย่างหมาเน่ามันก็ลอยน้ำได้อุจจาระก็เหมือนกันก็ลอยน้ำได้ อะไรอะไรก็ลอยน้ำได้เป็นเรื่องธรรมดาทั้งนั้นแหละแล้วหานละ่ะไม่ใช่เพราะคอยาวถึงร้องดังอึ่งอางก็ร้องเสียงดังคอก็ไม่ยาวมันเป็นเรื่องธรรมดาของหานที่จะร้องเสียงดังอย่างนั้นเองจีวอนพระสีเหลืองก็ธรรมดาอีกแหละขมิ้นก็สีเหลืองขนุนก็สีเหลืองอะไรอะไรก็สีเหลืองเยอะแยะไป พอเห็นจีวรพระสีเหลืองแล้วพ่อไปตื่นเต้นเรื่องอะไรจอมปลวกมันก็เลื่อมไม่ต้องเพราะงูหรอกหัวพ่อล้านก็มันเลื่อมแล้วพ่อจะว่าอย่างไงสรุปว่าถ้าเห็นสัจธรรมในสรรพสิ่งทั้งปวงว่าทุกอย่างล้วนเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติของมันอย่างนั้นจะไปเอาเหตุผลอย่างโน้อนอย่างนี้ อะไรกับมันนักหนาเราก็จะเครียดตายเปล่า